บทที่42ใส้ไสติ่งแตกเห็นพระพิสุรูปหนึ่งเพิ่งมาถึงและขึ้นไปบนรถเรียบร้อยพนักงานขับรถก็ลองสตาร์ทเครื่องดูอีกครั้งปรากฏว่าเครื่องจักรทำงานตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแปลกนะครับพอขอรอพอพระรูปนั้นมาเครื่องก็ทำงาน หรือว่าที่เสียเพราะต้องการจะรอท่านช่างเครื่องพูดกับพนักงานขับรถผมเองก็งงอยู่เหมือนกันทาไมเหตุการณ์มันมาประจวบกันพอดิบพอดีหรือว่าพระรูปนั้นท่านใช้เวทมนต์มาบรรดาลให้เป็นไปเหลวไหลนะคุณนี่พูดอะไรไม่เป็นวิทยาศาสตร์เลยรีบออกรถเถอะเลยเวลามา2ี่สิบนาทีแล้วจากนั้น ม้าเหล็กก็เคลื่อนตัวออกจากชานชลาสถานีอย่างช้าๆแล้วค่อยๆเริ่มความเร็วขึ้นตามลำดับตามกลางความโล่งอกโล่งใจของบรร ด, ดาผู้โดยสารรถไฟล่นไปได้สักครู่คุณนายนงนาทก็จัดการชงชามาถวายท่านพระครูและตามด้วยน้ำปานะภรยาสารวัตรชนเป็นกุลสตรีที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติของความเป็นแม่บ้านแม่เรือน เมื่อรู้ว่าจะมีพระภิกษุร่วมเดินทางไปด้วยจึงจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ระหว่างการเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านนิมนต์หลวงพ่อฉันน้ำปานะครับจะบำรุงนิมนต์เมื่อเห็นท่านรับประเคนแต่ยังไม่ได้ฉันท่านพระครูจึงยกแก้วน้ำปานะขึ้นดื่มอย่างเสียไม่ได้เมื่อน้ำตกถึงท้อง ก็เกิดอาการปวดตรงบริเวณท้องน้อยอย่างรุนแรงจนท่านต้องค้อมหลังลงเพื่อให้อาการปวดทุเลาถ้าว่าอิริยาบทเช่นนั้นก็ม่ได้ช่วยให้อาการปวดเบาบางลงแม้แต่น้อยท่านขบกรามแน่นพยายามขมทุกขเวทนาเอาไว้จากสิบตํารวจเห็นอาการผิดปกติดังนั้นจึงเรียนถามท่านว่าหลวงพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าครับ อาตมาปวดท้องไส่ติ่งแตกแล้วท่านกัดฟันตอบคุณนายนงหน้าเห็นเช่นนั้นก็ตกใจรีบหายาหมองมาส่งให้ลูกน้องของสามีบอกเขาว่าช่วยเอายามองทาที่ท้องให้ท่านหน่อยเพื่อจะช่วยบรรเทาอาการปวดจะบำรุงจึงเลิกจีวรของท่านขึ้นสิ่งที่เขาเห็นก็คือบริเวณท้องของท่านมีสีเขียวคล้ำ เขียวขึ้นไปเกือบถึงหน้าอกเมื่อเข้าป้ายามองลงไปท่านถึงกับสะดุง้งรีบบอกเขาว่าไม่ไหวแล้วไม่ต้องทาไม่ต้องนี่มันปวดที่สุดแล้วเมื่อมือโยมไปถูกมันก็ปวดหนักเข้าไปอีกเรียกว่าที่สุดของที่สุดเลยละ่ะท่านพยายามอธิบายออกมาเป็นคำพูดแย่แล้วนี่เราจะทำยังไงกันดี คุณนายนงนาแสดงอาการวิตกรู้สึกเสียใจที่ท่านมาตกประกรรมลำบากนำท่านส่งโรงพยาบาลดีไหมครับรถจอดสถานีไหนก็ลงที่นั่นเลยจะสิบตารวจออกความเห็นถ้าเช่นนั้นจะช่วยไปตามท่านสารวัตรมาด่วนเกรียนท่านว่าหลวงพ่ออาพาธหนักเธอออกคำสั่งเพราะในโบกี้นี้นอกจากท่านพระครู จะบำรุงและตัวเธอแล้วก็ไม่มีคนที่รู้จักอีกเลยการจะขอความช่วยเหลือจากคนที่ไม่รู้จักคงทำได้ยากยิ่งผู้โดยสารที่เป็นฝรั่งด้วยแล้วแค่จะพูดจา ก, กันก็คงไม่รู้เรื่องเมื่อจากสิบตำรวจเดินไปตามสารวัตรชนยังตู้รถนอนชั้นสองคุณนายนงนาฏเฝ้าดูอาการของท่านพระครูด้วยความเป็นห่วง สักพักท่านก็เกิดอาการปั่นป่วนในท้องจึงชี้ไปที่กระโถนภรายาในตำรวจจึงหยิบกระโถนไปรองใกล้ๆปากท่านในทันทีนั้นพระภิกษุอาพาธก็อาเจียนออกมาเป็นโลหิตสีแดงคล้ำเต็มกระโถนส่งกลิ่นคละคลุ้งเนื่องจากไส้ติ่งแตกอยู่ในท้องสตรีวัยใกล้ส0สนำเอากระโถนออกไปเทยังห้องน้ำโดยไม่นึกรังเกียจ ส่งผ้าคุณหนูชุบน้ำให้ท่านเช็ดปากซึ่งมีคราบโลหิตติดอยู่พอเช็ดปากเสร็จก็เกิดอาการอยากถ่ายหนักครั้นจะลุกไปยังห้องน้ำก็คงไม่ทันที่สำคัญคือไม่มีเรียวแรงที่จะลุกแม้นั่งก็ยังแสนลาบากจึงบอกคุณนายนงนาดว่าโยมอาตมาจะถ่ายนิ่มลหลวงพ่อถ่ายลงกระถนค่ะอย่าเดินไปห้องน้าเลย เธอบอกพลางเลื่อนกระโถนเข้าไปใกล้ท่านภิกษุอาพาธจึงนั่งหันหลังให้ผู้โดยสารคนอื่นๆอาการหนักสาหัสถึงปานนี้ไม่ต้องอายใครแล้วท่านถ่ายเป็นน้ําเลือดน้ําหนองออกมาทั้งทางทวารหนักทวารเบาเมื่อเต็มกระโถนคุณนายนงนาตนําไปเทยังห้องน้ําและนํากระโถนซึ่งล้างสะอาดแล้วกลับมาให้ท่านประเดี๋ยวหนึ่งท่านก็ถ่ายออกมาอีก พระยาในตำรวจก็นำไปเทล้างกระโถนมาให้อีกคลั้นของเน่าเสียออกมาถึงสามกระโถนอาการปวดค่อยทุลังลงบ้างพอดีกับสารวัตรชนและจ่าบำรุงมาถึงนายตำรวจวัยห้รู้สึกกังวลเกรงว่าท่านจะมรณภาพจึงกราบเรียนว่าหลวงพ่อครับสถานีหน้าเป็นสถานีประจวบคีรีขันธ์ผมจะพาหลวงพ่อส่งโรงพยาบาล ไม่ต้องรอขอบใจเดินทางต่อไปเธองานของท่านสำคัญกว่าถ้าอาจจะมาจะต้องตายก็ขอให้ตายในรถไฟนี่แหละตอบด้วยเสียงแหบแห้งจะบำรุงจัดการนำผ้าคนหนูชุบน้ำมาเช็ดตามร่างกาย ทำความสะอาดให้ท่านสักครู่อาการปวดท้องก็เริ่มกำเริบขึ้นอีกปวดจนสุดที่จะทนทานสงสัยคราวนี้ต้องตายแน่ๆเอาละตายเป็นตายท่านคิดแล้วจึงเปลี่ยนเป็นนั่งขัดสมาธิขอตายในท่านั่งสมาธินี่แหละจะได้ไปปฏิบัติต่อที่สวรรค์ฉันดูสิทธิ์อย่างที่โยมพ่อสั่งไว้ท่านนึก ถึงคำอำนวยพรของโยมบีดานั่งในท่าขัดสมาธิเรียบร้อยอาการปวดก็ดูเหมือนจะพุ่งขึ้นสูงสุดเป็นความเจ็บปวดที่สุดของที่สุดที่ไม่เคยได้รับมาก่อนเลยในชีวิตแล้วร่างของท่านก็ล้มตึงลงทั้งที่ยังอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิจากนั้น ก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆกลับสบายเนื้อสบายตัวเรากับไม่เคยเจ็บปวดมาก่อนท่านลุกขึ้นยืนดูร่างที่นอนนิ่งอยู่นั้นอ้าวนี่ตัวเรานี่นาทาไมนอนแองแมงอยู่ที่นี่ล่ะเอ๊ะคุณนายนงนาตร้องไห้ทาไมอ๋อเขาคงคิดว่าเราตายนี่เราตายแล้วรอนี่ ท่านรู้สึก ง, งุงงเห็นภรรยาในตำรวจเอามือไปอังที่จมูกของท่านพูดทั้งน้ำตาว่าหลวงพ่อมอรณะภาพแล้วดูสิไม่มีลมหายใจออกมาทางจมูกเลยสรวัตชนเอามืออังจมูกท่านบ้างจากนั้นก็จับชีพจรดูท่านอาจสลบไปก็ได้ใจเย็นๆนะพ่อเชื่อว่าท่านต้องไม่มรณะภาพ นายตำรวจพูดปลอบใจภรรยาผู้ดโดยสารคนอื่นๆพากันลุกขึ้นมามองดูท่านท่านพยายามพูดจาทักทายแต่ไม่มีใครพูดกับท่านโยมพวกนี้แปลกพูดด้วยก็ไม่พูดไม่รู้เป็นอะไรกันไปหมดชายผู้หนึ่งอายุประมาณ40สเดินเข้ามาดูร่างของท่านแล้วก็ถามขึ้นว่าหลวงพ่อองค์นี้เป็นอะไร ท่านบอกว่าไส้ติ่งแตกครับจะบำรุงตอบงั้นก็คงไม่รอดท่านคงเสียชีวิตแล้วละ่ะคนที่ไส้ติ่งแตกไม่มีใครรอดสักลายเขาว่าคุณนายนงนาได้ยินเข้าก็ยิ่งร้องไห้หนักขึ้นเสียงใครคนหนึ่งพูดขึ้นว่ามันคงเป็นเวรกรรมตามมาสนองท่านแสดงว่าท่านต้องทำกรรมอะไรไว้สักอย่าง คำพูดของใครคนนั้นทำให้ท่านระลึกถึงบาปที่เคยทำกรรมที่เคยก่อได้ในทันทีอ๋อกรรมที่เราตอนไก่นั่นเองเจ้ากรรมในเวรเข้ามาเตือนแล้วว่าเราต้องตายในรถไฟไส้ติ่งแตกตายนี่เราตายแล้วจริงๆหรือนี่แล้วไหนเราเจ้ากรรมในเวรอยู่ที่ไหน สิ้นคำถามภาพของไก่สองตัวก็ลอยมาปรากฏตรงหน้าท่านจำได้ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นไอ้โต้งไอ้เตีย้ยหรือไอ้ดอกหมากแล้วก็ยังไก่ตัวเมียอีกทั้งฝูงพวกมันพากันส่งเสียงโหรยเราะเยาะเย้ยสมน้ำหน้าอยากฆ่าพวกเราเป็นไงไส้ติ่งแตกแล้วไงสนุกไหมไม่ต้องมายะเยะ้ย พวกท่านนัดใจร้ายมากกลั่นแกล้งอาตมาแกล้งพระบาปรู้ไหมท่านต่อว่าต่อขานพวกเราไม่ได้แกล้งพระพวกเราต้องการให้เด็กเกเรที่ผ่าท้องพวกเราได้รับกรรมเจ้าทุกโต้ตอบอาตมาไม่ได้เจตนาจะฆ่าพวกท่านจริงๆนะสาบานได้อาตมาเพียงแต่จะลองวิชาที่ตอนพวกท่าน ก็เพราะอยากให้พวกท่านอ้วนสมบูรณ์เห็นตัวผอมๆกันก็เลยอยากจะให้อ้วนๆไม่ต้องมาแก้ตัวถึงยังไงท่านก็เจตนาฆ่าพวกเราเพราะถ้าพวกเราไม่ตายจะเกิดอ้วนท้นสมบูรณ์ท่านก็จะจับไปช่างกิโลขายพวกเราก็ต้องถูกฆ่าอยู่ดีเมื่อถูกต้อกลับมาเช่นนี้ คนเป็นบรรพชิตก็เถียงไม่ออกสิ่งที่เจ้าทุกพูดมานั้นจริงทั้งหมดก็แล้วจะเถียงใหญ่ให้ป่วยการนึกถึงวีรกรรมในวัยเด็กก็ให้รู้สึกเสียใจไม่น่าไปผ่าท้องพวกไก่เหล่านั้นเลยทำเขาให้ตายตัวท่านก็เลยต้องมารับเวรรับกรรมบัดนี้ท่านก็ได้ใช้นี่ด้วยชีวิตแล้ว ปัญดาเจ้าทุกซึ่งก็คือเจ้ารำนายเวนหายไปพระครูเจริญจึงเดินเที่ยวไปตามโบกี้ต่างๆพยายามยิ้มทักทายกับคนน้นคนนี้ทว่าไม่มีใครผู้ใ ด, ดพูดกับท่านแม้แต่คนเดียวคนพวกนี้พากันเป็นอะไรไปหมดนะพระสงฆ์องค์เจ้าพูดด้วยก็ไม่ยอมพูดกลัวดอกพิกลจะร่วงหรืออย่างไรท่านบน่น แลแล้วท่านก็เดินไปพบกับบุรุษผู้หนึ่งอายุอนามประมาณ 10-78 ท่านดีใจนักที่ได้พบเพื่อนเก่าเพื่อนที่จากกันไปนานกว่า20สิปีอ้าวก็นี่เองหรอกหรือไปยังไงมายังไงล่ะทำไมเองถึงไม่ยอมแก่เอข้าจำได้นะว่าเองตายไปนานแล้วนี่นาะพระคุณเจ้าเป็นใครมาจากไหนหรอกครับ ทำไมรู้จักกระผมบุรุษนั้นถามกลับข้าแกล้งเงละ่ะที่บ้านอยู่บ้างม่วงหมูเราเคยเป็นเพื่อนกันในสมัยยี่สิบกว่าปีก่อนอ้าวถ้าเช่นนั้นพระคุณเจ้าก็คือนายเจริญจรุนรัตหลานชายใหญ่จางใช่ไหมขอรับถูกแล้วแต่ตอนนี้ยายข้าตายไปหลายปีแล้วเองละ่ะไปยังไงมายังไงอะทำไมถึงยังหน่มอยู่ ก็กระผมตายแล้วนี่ครับตายตอนอายุ18ก็จะดูเป็นคนอายุ18ตลอดไปจนกว่าจะไปเกิดใหม่ตายแล้วไม่ต้องแก่ท่านละ่ะทำไมมาพบกับผมได้หรือว่าท่านมรณะภาพเสียแล้วเออจริงสินะคข้าตายแล้วจริงๆนั่นแหละคือข้ากำลังจะเดินทางไปส่งสารวัตรชนที่อำเภอชะอวดเพอเอิญไส้ติ่งแตก เลยนอนตายอยู่ในรถไฟไปดูสิร่างข้าอยู่บนโบกี้ชั้นหนึ่งนนน่ะแล้วเอองลาซื้อตั๋วชั้นไหนมากระผมไม่ต้องซื้อตั๋วหรอกครับเป็นผีไม่ต้องซื้อตัว๋วงั้นหรือและจะไปไหนละเนี่ยไปลงสถานีอะไรไม่ได้จะไปไหนหรอกครับกระผมหนีเขามาเดี๋ยวก็ต้องกลับแล้วดีใจที่ได้พบท่านกระผมลาละครับ เขายกมือไหว้แล้วก็เดินหายไปในความมืดท่านพระครูจึงเดินเที่ยวไปจนสุดขบวนรถไฟแล้วจึงเดินกลับมายังตู้นอนชั้นหนึ่งซึ่งมีร่างของท่านอยู่ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิคุณนายนงนาทยังคงนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นท่านเดินเข้าไปถามว่าร้องไห้เรื่องอะไรคุณนายไม่ตอบ ดูเหมือนจะไม่ได้ยินเสียงที่ท่านถามได้ซ้ำท่านไม่รู้จะทำประการใดจึงนั่งลงข้างๆร่างที่นอนสงบนิ่งอยู่นั้นสามชั่วโมงผ่านไปท่านพระครูรู้สึกตัวท่านลืมตาขึ้นเห็นคนนั่งเฝ้าท่านอยู่สามคนคือสารวัตรชนคุณนายนงนาฏและจ่าสิบตำรวจบำรุง ส่วนผู้โดยสารคนอื่นๆก็พากันหลับหมดคุณนายนองนาศนั้นยังร้องไห้อยู่ท่านจึงถามเอาไปว่าคุณนายร้องไห้เป็นอะไรหรือสตรีวัยใกล้สี่สิบไม่ตอบแต่กลับยิ่งร้องไห้ใหญ่ท่านพระครูเห็นว่าพูดกับคุณนายไม่รู้เรื่องจึงหันไปพูดกับสารวัตรคุณนายเขาร้องไห้ไปทำไมท่านไปว่าอะไรเขาหรือแทนคาตอบสารวัตรชนกลับถามว่า หลวงพ่อฟื้นแล้วเหรอครับเป็นยังไงบ้างยังปวดท้องอยู่หรือเปล่าเอไม่เห็นปวดนี่นะเกิดอะไรขึ้นหรือนายตำรวจวัยห้าจึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังแล้วสรุปว่าผมดีใจเหลือเกินที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ถ้าหลวงพ่อเป็นอะไรไปผมคงเสียใจตลอดชีวิตคุณนายนงนาศเขาคิดว่าหลวงพ่อมอรณะภาพก็เลยร้องไห้มีหยุด ผมกลัวเขาจะเป็นลมไปอีกคนหนึ่งหยุดร้องไห้เถอะหลวงพ่อไม่เป็นอะไรแล้วเขาบอกภรรยาคุณนายตำรวจใช้ผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาจนแห้งกระนั้นก็ยังบอกกับท่านว่าหลวงพ่อไม่เป็นอะไรแน่นะคะคงไม่แล้วมัง้งตอนนี้อาตมารู้สึกเฉยๆไม่เจ็บไม่ปวดแต่ประการใดคิดว่าคงชดใช้กรรมที่เจ้ากรรมในเวรเขาไปหมดแล้วกระมัง ท่านตอบพรางนึ่งเยาะเย้ยในใจว่าถึงยังไงพวกเองก็เอาชีวิตข้าไปไม่ได้เมินสะชาติหนึ่งใครๆก็พากันคิดว่าหลวงพ่อมอรณะภาพผมเองก็ใจคอไม่ดีพยายามปลอบใจตัวเองว่าหลวงพ่อต้องไม่เป็นอะไรอัตมาก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันมันไม่เหมือนกับว่าเป็นความตายมันคล้ายสลบไปเฉยเฉย คล้ายๆหลับแล้วฝันไปถ้าความตายเป็นอย่างนี้ก็คงไม่น่ากลัวแต่มันคงไม่ใช่ความตายเพราะถ้าตายอัตมาก็คงไม่ฟื้นท่านนึกไปถึงตะแพะเตียวบิดาของสมภารตรงท่านคงสลบไปเช่นเดียวกันกับตะแพะเตี่ยก็เป็นได้คุณนายนงนาศดูท่านพูดคุยได้เหมือนคนปกติก็หยุดร้องไห้ และลุกขึ้นออกไปล้างหน้าล้างตาอย่างห้องน้ำรถไฟจอดที่สถานีแห่งหนึง่งท่านพระครูถามขึ้นว่าถึงไหนแล้วจ่าบำรุงชะโงกหน้าออกไปดูแล้วกราบเรียนว่าถึงสุ ร, ราษฎร์ธานีครับเอาละโยมไปพักผ่อนกันได้อาตมานั่งกรรมฐานภิกษุวัยสี่สิบบอกกล่าวผมคงนอนไม่หลับหรอกครับจะนั่งเป็นเพื่อนหลวงพ่อ สลรวัตชนพูดเขาไม่อยากเดินเบียดเสียดผู้คนโดยสารกลับไปยังตู้นอนชั้นสองผมก็จะนั่งเป็นเพื่อนท่านครับจ่าวัยสามสิบพูดกับตำรวจในเพื่อผู้บังคับบัญชาไม่นอนแล้วเขาจะนอนได้อย่างไรโยมพักผ่อนเถอะประเดี๋ยวจะไม่สบาย ท่านบอกคุณนายนงนาฏเมื่อเธอกลับมานั่งดิฉันคงนอนไม่หลับหรอกค่ะจะคอยดูแลหลวงพ่อพูดพลางรินน้ําชาใส่ถ้วยให้สามีประเคนท่านอาตมาไม่กล้าฉันหรอกเดี๋ยวจะเกิดเรื่องอีกเอาไว้ถึงจะอวดแล้วค่อยว่ากันเอาละอาตมาจะนั่งกรรมาฐานแล้วนะแล้วท่านจึงนั่งขัดสมาธิหลับตานิ่ง ภิกษุวัยรู้ว่ายังต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานอันเกิดจากไสติ่งแตกอีกแม้จะผ่านพ้นความตายมาได้แต่ความทุกข์นั้นยังผ่านไม่ได้ท่านจะบันทึกไว้เป็นประสบการณ์ชีวิตว่ากรรมที่ทำลงไปโดยไม่รู้เท่าถึงการก็ยังมีผลมีวิบากมากและมาให้ผลถึงสองครั้งสองคราครั้งก่อนไส่เน่าครั้งนี้ไสติ่งแตก สาหัสสาการจนแทบเอาชีวิตไม่รอดหากไม่ได้ฝึกอบรมกายอบรมจิตมาอย่างดีก็คงต้องจากโลกนี้ไปแล้วเจ้าหล่อเอ้ยเองเห็นจะต้องบวชอีกครั้งแล้วละท่านนึกถึงลูกศิษย์ที่เคยผจนกับความเป็นความตายมาด้วยกันรถไฟถึงสถานีฉะอดเวลาแปนาฬิกาของวันใหม่มีผู้คนมารับเนืองแน่น สารวัตรชนสั่งให้คนหาแคร่มาเพื่อให้ท่านจะได้ไม่ต้องเดินได้แคร่มาแล้วก็นิมนต์ให้ท่านนั่งทว่าท่านปฏิเสธแม้จะปวดท้องมากจนหลังแข็งไปหมดท่านก็จะไม่ยอมนั่งให้พวกเขาหามไปด้วยต้องการจะชดใช้กรรมโยมจากสถานีไปบ้านสารวัตรไกลไหมท่านถามตำรวจชั้นผู้น้อยที่มารอรับเจ้านายประมาณห้าร้อยเมตรครับ ตำรวจตอบพรางชี้ไปยังทิศที่ตั้งของบ้านนี่มลหลวงพ่อนั่งแรครเถอะค่ะคุณนายนงนาฏขยันขยอไม่เป็นไรหรอกโยมอัตมาเดินไหวไปกันเถอะและท่านจึงเดินนำหน้าคนอื่นจึงต้องเดินตามภิกษุอาพาธต้องทนทุกขเวทนาอย่างที่สุดขณะเดินตัวแข็งทื่อไปตามถนนรยกรวดนี่ค่าใช้นี่พวกเองทั้งต้นทั้งดอกเลยนะ ตั้งแต่นี้ต่อไปอย่าได้มาทวงกันอีกท่านนึกถึงไก่ฝงงนั้นที่ถูกตอนจนพากันตายยกแล้วต่อหน้าพวกมันท่านจะใช้คำว่าอาตมาและพวกท่านแต่ลับหลังท่านใช้ว่าข้าและพวกเองข้าก็พูดดีๆกับพวกเองยังไม่เอาหสิกรรมให้หมดหนี้หมดสินกันแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะพูดดีๆกับพวกเอง ท่านเดินคิดไปเรื่อยๆเพื่อจะให้ลืมความเจ็บปวดที่กำลังจะได้รับเมื่อถึงบ้านพักสารวัตรชนรีบโทรศัพท์ไปตามหมอที่สุขสลามาดูอาการของท่านพระครูสักครู่แพทย์หญิงกรมลาก็มาถึงพอรู้ว่าท่านไส้ติ่งแตกก็ตกใจนักเพราะจากประสบการณ์ไม่มีคนไข้ที่รอดตายเพราะไส้ติ่งแตกเลยสักรายเดียว ต้องนำท่านส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดด่วนที่ศุนยาลาเราไม่มีเครื่องมือสําหรับผ่าตัดใหญ่ดิฉันจะโทรศัพท์ไปเรียกรถพยาบาลมารับอย่าเลยคุณหมออาตมาไม่เป็นอะไรมากอย่าลําบากเลยท่านพูดอย่างเกรงใจรู้ว่าถ้าท่านไปโรงพยาบาลก็จะไม่ได้ช่วยเหลือสารวัตรจนดังที่ได้ตั้งใจเอาไว้แต่หลวงพ่ออาการหนักมากนะคะ ถ้าไม่ได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนดิฉันเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยต่อชีวิตหมอการมาลาทวงอาตมาไม่ไปถึงอย่างไรก็ไม่ยอมไปอย่าได้ขัดใจอาตมาเลยนะแต่มันอันตรายมากนะหลวงพ่อเพราะเลือดมันขังอยู่ข้างในต้องผ่าตัดล้างทอง้องอา้นนําเลือดน้ำหนองออกให้หมดเอาล่ะ ถ้าเช่นนั้นอาตมาก็จะขอตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าทุกๆคนเลยว่าถ้าหากอาตมาถึงที่ตายก็ขอให้ตายแต่จะขออดทนจนถึงที่สุดขออย่างเดียวอย่าได้พาอาตมาไปโรงพยาบาลเลยแล้วท่านจึงนั่งขัดสมาธิหลับตานิ่งสักพักก็อาเจียนออกมาอีกมีทั้งน้ำเลือดน้ำหนองออกมาทางปากและทางจมูก แล้วก็ปวดท้องอยากถ่ายจึงค่อยๆลุกขึ้นเดินไปที่ห้องน้ําซึ่งอยู่ใกล้ๆสารวัตชนกับจ่าบารุงตามไปยืนรออยู่หน้าห้องน้ําเมื่อได้ถ่ายหนักถ่ายเบาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงรู้สึกข้อ ย, อยังชั่วขึ้นอาตมาหายแล้วละคุณหมอถ่ายออกมาเป็นเลือดเลยอาตมาข้อ ย, อยังชั่วแล้วและขอยืนยันว่าจะไม่ไปโรงพยาบาล ถ้าอย่างนั้นดิฉันจะให้น้ำเกลือหลวงพ่อก็แล้วกันอย่างนั้นเราก็ได้แพทย์หญิงกำมลาจึงให้น้ำเกลือท่านเสียหลายกระปุกและก็ฉีดยาเข้าเส้นบ้างเข้าต่อโปกบ้างให้ยุ่งไปหมดระหว่างที่ให้น้ำเกลือท่านให้เรียกบรรดาเมียตารวจมาคุยธรรมชาติของผู้หญิงนั้นมักจะเก็บความลับไม่อยู่ในที่สุดท่านก็จะได้รู้ว่า ตำรวจคนไหนยักยอกปืนของหลวงไปบ้างกลับไปบอกพวกบ้านนะบอกหลวงพ่อขอร้องให้นําปืนมาคืนหลวงเสียมิฉะนั้นจะต้องถูกสอบสวนท่านสั่งพวกผู้หญิงที่เผลอเอาความลับของสามีมาเปิดเผยรู้สึกร้อนร้อนหนาวนาด้วยกลัวสามีจะทำโทษจึงพากลากลับไปยังบ้านเรือนของตน ท่านสารวัตรอย่าเพิ่งเซ็นชื่อรับมอบปืนนะต้องตรวจดูให้รอบคอบซะก่อนว่าครบหรือเปล่าถ้าไม่ครบอย่าเซ็นมิฉะนั้นท่านต้องเดือดร้อนท่านบอกสารวัตรชนหลังจากพวกเมียตำรวจกลับไปแล้วหลวงพ่อครับผมต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงนี่ถ้าหลวงพ่อไม่มาส่งผมคงลาบากแน่ขอบพระคุณมากครับ นายตำรวจพูดอย่างซาบซึ้งพร้อมกับก้มลงกราบท่านสามครั้งเงียบกันไปประเดี๋ยวหนึ่งท่านพระครูจึงพูดขึ้นว่าวันพรุ่งนี้อาตมาจะพาพวกโยมไปเวียนเทียนที่นครศรีธรรมราชไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุด้วยอาตมามีลูกศิษย์เป็นนายตำรวจอยู่ที่นั่นคนหนึ่งจะถือโอกาสไปเยี่ยมเขาด้วยหลวงพ่อไปไหวเหรอคะ คุณนายนงน้าถามอย่างเป็นห่วงไวส้สิคุณหมอจะไปด้วยกันไหมท่านชวนหมอกำมลาไปค่ะหรือฉันจะเตรียมร่วมยาไปด้วยเผื่อหลวงพ่อเป็นลมกลางทางแพทย์หญิงกำมลาตอบรู้สึกศรัทธาพระภิกษุรูปนี้นักมีอย่างที่ไหนขนาดไส้ติ่งแตกก็ยังไม่เป็นอะไรแถมจะพาญาติโยมไปเที่ยวอีกด้วย